มีความสำคัญจะต้องขจัดออกไปจากจิตใจของบุคคลพระตาข้อจับใดบุคคลไม่สามารถอย่างน้อยบรรเทาความสงสัยเสียได้แม้แต่การละความชั่วประพฤติความดีก็ทำไม่ได้ดังนั้นจึงทรงจำแนกพวกความครึอบแครงสงสัยไว้โดยนยิยามปิสดานกือถึงแสายด้วยกัน ในสายสุดท้ายก็มาถึงความเครือบแคลงสงสัยในปฏิจจสมุปบาทแต่แก่ความสงสัยในกฎของเหตุผลอันที่จริงปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นการแสดงถึงกฎที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงสัสรู้เพื่อนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงเกิดโลกแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดพิสดาร ยากต่อการจะยังรู้ได้โดยทองแท้ดังนั้นตลอดระยะเวลาเจวันที่ประทับสวยวิมุติสุขอยู่ภายใต้ต้นศรีมาโพซึ่งทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาททั้งสายที่เป็นเหตุให้เกิดและสายที่จะดับกลับไปกลับมาแล้วก็ทรงเปล่งพโตูทานขึ้นในแต่ละขณะ หลังจากพิจารณาเสร็จจบไปรอบหนึ่งเงื่นไยสำคัญในความเป็นปฏิจจสมุปบาทนั้นที่จริงก็อยู่ที่กิเลสก็คือตัวอวิชานั่นเองเราจะถามว่าอาวิชชาคืออะไรอย่างนี้บอกแล้วว่าอาวิชชากับวิจิกิจชานั้นที่จริงพวกเดียวกันเปลี่ยนแต่ว่าอาวิชชาเป็นรากหนาวของสรวพกิเลสทั้งหมด วิกิจานั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งของอวิชชาซึ่งปรากฏออกมาในรูปของความครุ้บแคลงสงสัยซึ่งหมายความว่ามีความรู้อยู่บ้างในบางเรื่องบางตอนแต่บางตอนเราก็มีความครุ้บแคลงสงสัยไม่แน่ใจเชนเรื่อ ง, งราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่บ้างหลายเรื่องหลายตอน ถ้าก็มีบางตอนบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโอขาดประสบประการในเรื่องเหล่านี้หรือว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจนาในเรื่องเหล่านี้อย่างลึกซึ้งมากพอหอาจจะอาศัยตัวเองเป็นมาตรฐานในการกําหนดในการตัดสินเมื่อว่าตัวเองไม่สามารถจะมีได้เป็นได้ก็เข้าใจว่าพระุเจ้าก็คงจะมีไม่ได้เป็นไม่ได้เช่นเดียวกัน ดันั้นถึงสังเกตว่าความเคร่อดแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าบางครั้งก็หยาบๆบออกมาจนถึงขนาดสงสัยพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าและความคิดเหล่านี้ปรากฏแม้ในหมู่นักวิจารารทั้งหลายซึ่งถือว่าได้ผ่านระบบ ก, การศึกษามามากกว่าสมควรไดเรียนไปเรียนมาเกิดสงสัยพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า จะถึงกับบางคนลงสันนิษฐานไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเขาคงจะเป็นชื่อรวมๆของคนของคณะทำงานคณะหนึ่งที่ทำงานรุจนาเรียบเรียงประไตรปิฎกขึ้นแล้วก็สมมติชื่อตัวเองขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่คือลักษณะของความเคลือบแครงสงสัยซึ่งถือว่าหยาบมาก หมายความว่ายังไงหมายความอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลดอานั้นมากแต่บางครั้งไม่ถึงกับเคลือบแคลงสงสัยในระดับนั้นอาจจะเครือบแคลงสงสัยในบางระดับเช่นการอุบัติบารเกิดขึ้นของพระ เ, เจ้าที่เดินด้วยประบาทได้ได้เจ็ดเก้านั้นจะเป็นความเครือบแคลงสงสัยที่แพร่หลายมากโดยมองจากตัวเองหรือมองแกสิ่งที่ใกล้เคียงกับตัวเอง เหมือนว่ายังไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เกิดมาเดินด้วยด้วยเท้าได้7เก้าเพราะงั้นผู้เจ้าก็ไม่น่าจะเดินได้เจเ้าความคิดในลักษณะนี้ที่จริงก็เป็นการตัดสินปัญหาในลักษณะคล้ายๆกักบอยู่ในสระน้ำหรือปลายอย่างไดบอกคือจะอนุมานมาจากประสบการณ์ที่ตนคุ้นเคยโดยลืมไม่ว่าสิ่งที่อยู่เหนือประสบการณ์เ่านั้นมีมากกว่าสิ่งที่เราประสบ ในชีวิตประจำมัดของเราและในสุดมันก็หยุดอยู่ตรงนี้เองคือก้าวเดินไปไม่ได้หรือบางครั้งบางคราวเช่นสงสัยในเรื่องการสัต ร, รูของพระพธธุทธเจ้าและใสุก็เกิดไม่แน่ใจในสิ่งที่ทรงสอนไม่แน่ใจในความเป็นมาของศาสนาไม่แน่ใจในผลของธรรมะเป็นต้นแล้วก็ไปเป็นกระบวน มันทั้งหมดมันจึงมีลักษณะเป็นกระบว น, ท, นว ท, ทํานองเดียวกันค่าตำตำนองเดียวกันน้ําไหลทํานองเดียวกักกนไฟสว่างทํานองเดียวกันการอาบน้ําำํานองเดียวกันการรับประทานอาหารอย่างที่เป็นตัวอย่างสามารถสังเกตได้ง่ายๆว่าเป็นกระบวนก็สําคัญเมื่ออยู่ที่จุดเริ่มต้นถ้าจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องของความเครือบแคลงสงสยัยแล้วต่อไปมันก็จะออกมาในลักษณะไม่แน่ใจเรื่อยๆ กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นหรือกับสิ่งที่ตนเครื่อนแคลงสงสัยอยู่มันสัเกตว่าความเครื่อนแคลนสงสัยหรือไม่สงสัยมันจะอยู่ที่ตัวเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราคือถ้านอกจากนั้นเราก็จะเป็นเรื่องของความไม่รู้ไปเลยอาการเครื่อนแคลงสงสัยจะต้องมีประสบการณ์อยู่ในระดับใด ร, ระดับหนึ่งจึงจะเกิดเป็นความเครื่อนแคลงสงสัย แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็กลายเป็นตัวอวิชชาเกิดแต่ที่จะตักลายเป็นตัวความสงสัยเช่นสมมุติเราเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเห็นแล้วแต่เกิดสงสัยว่ามันรูปอะไรกันแน่หรือฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนถ้าเกิดเครื่อนแปรงสงสัยขึ้นมาว่าเสียงอะไรแต่ถ้าไม่มีเสียงเราก็ไม่มีความเครื่อนแปรงสงสัยอะไร เธอเป็นลักษณะเป็นอาการของวิชาคือความไม่รู้บ้น ต, ตัววิชาที่จริงก็คือเรื่องของความไม่รู้ในเหตุผลนั่นเองแต้ท่านไปนรวมเอาที่ความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการกับอาการเครือบแคลงสงสัย4อย่างที่ว่าในช่วงหลังคือความเครือแคลงสงสัยในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตทั้งอดีตและอนาคตในกฎของปฏิจาสมบัติ แต่ตรงนี้แรงกว่าทั้นชายกำรมขำไม่รู้คือไม่รู้ในเรื่องอดีตไม่รู้ในเรื่องอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิจจสมุปบาทคือสังเกตว่าเป็นอาการในเดียวกันเพียงแต่ว่าความสงสัยนั้นจางกว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ทั้งสองอย่างนั้นก่อให้เกิดอาการช ง, งักงนันคือไม่สามารถก้าวเดินไปได้ เรื่องของปฏิจจสมุปบาท ต, ตัวการใหญ่ก็คือเรื่องของอวิชชาหรือกิเลสพูดง่ายก็คือกิเลสซึ่งผู้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมาจะต้องมองในส่วนอื่นๆที่เราคุ้นๆซะก่อนอันที่จริงก็เป็นอาการเดทยวกันแต่ว่าตัวกิเลสเนี่ยถ้าหากว่าความรู้สึกรุนแรงเช่นเกิดความโลภแรงการกระทำของบุคคลจะแรง การกระทาของบุคคลแรงก็แสดงว่าขณะนั้นจิตมันถูกปรุงด้วยกิเลสแรงแล้วก็ยาวนานหรือต่อเนื่องเชว่าการกระทําบางอย่างรู้ว่าเกิดด้ยความโกรธหรือด้วยความโลภ ก, ก็ตามจะสมมติอ่คนเกิดโกรธขึ้นมาเมื่อตอนก่อนมาอาจจะไม่โกรธก็ได้แล้วก็มีใครมากระทาให้โกรธ เดินมาด่ามาว่าอาจจะด่าคำเดียเราอาจจะไม่โกรธก็ได้แล้วก็ด่าแล้วด่าอีกพอเราไม่โกรธเขาก็ลงมือลงไม้อาจจะทุบอาจจะตีอาจจะชกอาจจะต่อยแต่และอย่างเนยจริงมันก็ตุ้นความโกรธขึ้นมาเรื่อยๆโดยช่วงหนึ่งมันจะอยู่เฉพาะภายในใจอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาทางสีหน้าอาการกริยาท่าทางขึ้นมาเรื่อยๆ เราก็ปรุงรับเขินไปเขาก็เพิ่มเชื้อเข้าไปแกายกายมันเชื้อบวกขึ้นมาพอทำนองใกล้ใกล้กับไฟลุกเป็นจุเดเล็กๆอยู่เราก็ใส่เชื้อขึ้นไปใส่เชื้อบ่อ ย, อยๆก็ลุกลามมากไปเรื่อยๆเพราะาอาการด่าตอบผู้ดา่าจะด่ากันไปด่ากันมาหรือประหารตอบผู้ประหารเราจะเห็นว่าอาการกิเลสมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกรรมคือการกระทำของเราจะทางกาย ก, ก, ก, ก็ากตามทางวิญาก็ตามจะแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะคน้นจากการกระทำจึงจะมีลักษณะแรงแล้วโทษที่เราเห็นในขณะนั้นก็แรงโทษที่รับจากทางบ้านเมืองก็ดีโทษที่รับในโอกาสต่อไปคือจากวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจนถึงชาติหน้าก็ดีจะมีความรุนแรงเพราะถ้าเรามองกลับมาในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ตัวกิเลสว่ากิเลสมันแรงขึ้นทําให้กรรมมันแรงขึ้น ทมใหวิญญาณคือการรับรู้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นรุนแรงขึ้นแล้วต่อไปความคิดความอ่านเช่นท่านเรียกว่านา ม, มาูปเราดูตัวรูปรอก็ได้เนพะระเห็นว่ารูปร่างกิริยาท่าทางของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าทาหยาบกิริยาบทกิริยาท่าทางหน้าตาตลอดถึงการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นจะหยาบขึ้น แม้แต่ความคิดที่เราเรียกว่ามานัสการก็จะมีความคิดแรงขึ้นความจงใจที่จะทาที่จะพูดก็จะแรงขึ้นแต่ความจำหมายความไม่ดีไม่งามของบุคคลเหล่านั้นก็จะจาไปในแง่ที่ไม่ดีนั่นก็เป็นกระบวนการที่เราสามารถจะดูดดได้ในแต่ละขณะจิตแต่ในสายของการบำเพ็ญเพียรในแนวของ นิวรณ์ปร ะ, ะคือหมวดทิวาโดยนิวรณพระเจ้าจะทรงสอนให้ดูอาการของนิวรณ์แต่ละข้อที่ปรากฏอาจจะแรงมากหรือแรงน้อยก็ได้แต่ถ้ายังอยู่ภายในใจยังกลุ่มรุมใจอยู่ท่านก็เรียกว่าเพียงนิวรณเพระเาะยังไม่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาเราจะเห็นอาการของความไม่รู้ก็ดีหรืออาการความเ พ, เพลงสงสัยก็ดี เป็นความคิดที่โลภจัดมันจะทำให้ความคิดของเราประกอบด้วยความโลภซึ่งอาจจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนและในสุดมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้ร่มก็ไหลไปเรื่อยๆที่เรียกว่าเสือกใสหรือผักใสพระเจ้าทรางชช้คำเสือกใสหรือผลักใสเป็นแนวให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าสูญเสียการทรงตัว เนื้อคนที่ถูกเสืกใส่ไปผักสายไ ป, ยไปดันจะสูญเสียการทรงตัวและอาจาจะต้องหกล้มเพราะคนที่ทําอะไรไปตามอำนาจของกิเลสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถูกกิเลสเสือกใส่ผลักสายไปสู่อารมณ์ต่างๆทีนี้ถ้าตัวอารมณ์เหล่านั้นแกกระตุ้นมากยิ่งขึ้นเช่นสมมุติว่าไปเจอทองหรือไม่ต้องดูเจอทองก็ได้เช่น มีการโปรยข้าวของอะไรทิ้งกระจัดอะไรต่างๆเขาก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของความโลภคือต่างคนต่างอยากได้ลูกของมันมากในขณะที่ไปยืนดูของจะเห็นของมากต่างคนต่างก็อยากได้พอก็โปรยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาต่างคนต่างก็จะวิ่งเข้าไปหาเป็นอาการของวิชาที่เราเห็นในชัดคือไม่ระวังเนื้อระวังตัวระวังหัวอะไรเลย พร้อมที่จะให้ได้มากๆายไม่นึกตัวว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มจะเป็นอันตรายหรือไม่บางครั้งเราก็ะแหงนหน้าขึ้นไปแล้วก็โยนของมาจากข้างบนอาจจะ ก, กระทบหน้าผากอาจจะ ก, กระทบตาก็ได้คือความคิดมันจะไม่มีเหตุผลหน้าตามันจะอ่อนลงนั่นคืออาการของวิชาที่เราเห็นได้ชัดเราจะมองไปบอกมาอีกทีที่จริงมันก็ไ ม, ม่คุ้มอะไรซึ่งอาจจะดูในทํานองง่ายๆ อางเช่นมีการลดสินค้าในที่ใดที่หนึ่งแต่การโฆษณาลดสินค้าลดแถมอะไรเนี่ยมันก็ตุ้นโลภะให้เกิดขึ้นกระตุ้นความอยากได้เกิดขึ้นทีนี่วิชานั้นแก่ จ, จะจาเพิ่มตามขึ้นไปโดยลืมคิดไปบางทีเราก็อยู่อีกมุมหนึ่งของกรุงเทพแล้วก็ลดสินค้า อ, อีกมุมหนึ่ง ุตสาเสียเวลาเสียเสียค่าพาหนะหรือมองรถมาหรือนั่งแท็กซี่มาได้ไรแต่แม้จะเอารถมาก็ระทำคือเราไม่ได้คิดถึงเวลาที่เราต้องเสียไปและเงินทองที่เราต้องเสียไปโดยไม่มองแต่เป็นสิ่งที่ตัวเองจะได้โดยไม่ได้มองเฉพาะไม่ได้มองรวมกับสิ่งที่เราต้องเสียด้วยบวกลบคูณหารกันแล้วนั้นถ้าซื้อข้างบ้านน่ยจะเป็นอย่างไง เวลาเราก็ไม่ต้องเสียมากราคาสินค้าก็คงจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะพอๆกันแต่เพราะอาการของความโลภที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นมันเปลือกสายสักเอเสือกสายผลักสนรชนไปในชี่เห่านั้นอวิชาคือความมืดบอด ก, ก็จะเพิ่มบริมาณมากยิ่งขึ้นเหตุผลความคิดกลาวอันก็จะมีหรือมีก็มีน้อยลง เราจะเรามองไปในมุมใดมุมหนึ่งทค่นั้นเองนั้นพวกนี้เวลาเขาเกิดขึ้นแล้วที่อาาบอกว่าพอเขาเกิดขึ้นเนี่ยสติปัญญาก็จะต้องนีออกไปคือจะไม่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันแต่ในอารมณ์เดียวกันถ้าว่าพวกนี้เกิดขึ้นมากๆพวกเหตุผลสติปัญญาจะหย่อนลงไป แต่พอสติปัญญาเกิดขึ้นมากๆพว ก, กิเลสก็จะจอดให้ลองสังเกตว่าความโกรธ บ, บางทีมันวูบขึ้นมาพอสติเกิดขึ้นมาได้มันจะหยุดมันจะหยุดความโกรธและความโกรธก็เริ่มน้ลดลงหันไปพิจารณาการกระทําในขณะก่อนมองเห็นว่าการกระทําในขณะนั้นเป็นความผิดพลาดปกครองก็ขอขมาทโทษแล้วก็จำนึกเสียใจ ที่ได้ทำเช่นนั้นลงไปนั้นเราเห็นว่าเป็นอาการที่มันก็เกิดขึ้นภายในจิตเราในชีวิตประจําวันส่วนจะอยากจะกลางจะละเอียดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็เป็นอาการที่เราเห็นได้ว่าระว่างธรรมะกับอธรรมที่ต่อสู้กันภายในจิตใจนั้นขึ้นอยู่กับตัวไหนก็แรงตัวไหนก็แรงก็จะครอบนาใจเราได้นานแต่อาจจะเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ แต่นั้นก็ทรงสอนให้ดูถึงสภาวะที่มีอาการแพทผอกอให้เกิดความเร่าร้อนเพราะทรงสอนให้ลดละแต่ว่าจริงๆอาการเหล่านั้นมันเป็นผลเพราะกิเลแกไม่ได้เกิดขึ้นรุมรุมใจเราตลอดรเวลาใจนั้นจะถูกปรุงด้วยกุศลบ้างกุศลบ้างกลางๆบ้างหยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างสังเกตได้ในใจ เพแนวการสอนจึงทรงสอนไปที่สืบสอบไปดูใช่ว่าอะไรมันเป็นเหตุไดเกิดเมื่อก่อนมันไม่มีในะขณะก่อนไม่มีขณะนี้มันมีก็แสดงว่าไม่ได้มีอยู่ทุกขณะเพราะก่อนที่มันจะมีเนี่ยมีเหตุอะไรให้เกิดขึ้นเรสืบสวนไปดูว่ามาจากไหนเพราะแนวของวิจิตจฉานั้นจึงมาจากเขาเรียกว่าอายนิโสมณสิการหมายความว่าการขาด ใช้ขาดการใช้ปัญญาพิจนารณาโดยเหตุดยผลโดยอุบายวิธีที่ถูกต้องแยบคายเหมาะสมแก่กรณีนั้นนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญบ้างเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นการดึงคุณสมบัติการใช้ประสาทสัมผัส ข, ของคนมาเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นเหมาะควรแก่การเป็นนิติจารณาสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นๆ ให้สังเกตว่าที่จริงเราก็ใช้กันอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของโยนในโสบนรสิการเพียงแต่ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาทักนั้นเองเช่นเราเห็นรูปครับใครั่กคล่าวรูปอะไรก็ต้องมองดูให้ชัดมองแล้วมองอีกพลิกแล้วพลิกอีกก็จะเกิดความเข้าใจหรือบางครั้งไม่ถึงมองขนาดนั้นมันก็เข้าใจเราได้ยินเสียงก็ครับยๆครั่คล้าวแสดงว่าสงสัยสงสัยก็พยายามเงี่ยหูฟังกําหนดเทียบเคียงไปเรื่อย อาจจะฟังแล้วฟังอีกเช่นใะนยิงเสียงเสียงเทปภายในเทปมันก็คุ้นๆอะไรอยู่เราเกิดไม่แน่ใจเรก็คิดแล้วคิดอีกแต่ในที่สุดเนี่ยไอความจําในอดีตซึ่งเป็นอาการของจิตอย่างหนึ่งที่เราจําเสียงนั้นเอาไว้อย่างที่บอกแล้วว่าความสงสัยนั้นหมายความว่าเราต้องมีประสบการณ์อยู่บ้างนิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรอยู่เลยถ้าไม่มีอะไรอยู่เลยก็จะเป็นอวิชา ในที่สุดเราก็พิจารณาทบทวนเงี่ยหูฟังไปใจก็คิดตือไปในที่สุดเราก็เข้าใจว่าเสียงของใครหรือพวกกลิน่นพวกรสพวกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปัจจัยที่ให้เกิดโยนิสูมนตรีการก็คือตาหูจมูกทิ้งกายที่เป็นประสาทรับรู้แล้วก็นำมาสู่จิตจิตจะเป็นตัวพิพจาณาวินิจฉัย ปัญการวินิจฉัยจึงอาศัยสองเงื่อนหรือเงื่อนหนึ่งก็คือประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโปรตีนเหล่านั้น ต, ตัวที่สองก็คือสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นบางอย่างจึงคิดเร็วบางอย่างจึงคิดช้าคือรู้ได้รู้ได้เร็วรู้ได้ช้าอาการที่รู้ได้เร็วรู้ได้ช้านั้นนอกจากว่าเงื่อนไขตัวอื่นๆแลว้วปัญการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการสะสม สิ่งเหล่านั้นวายหรือสะสมประสบการณ์ในด้านเหล่านั้นไว้เนี่ยมากน้อยไม่เหมือนกันบางอย่างแม้ได้ยินนิดเดียวเราก็เข้าใจแล้วเราก็มองได้ทั้งระบบมองได้ตลอดบางทีเพิงสังเกตว่าเช่นว่าได้ยินเรื่องบางเรื่องมาเพื่อนอ้าปากพูดไปได้หน่อยเดียวเราก็ทั้งอ้อแล้ะก็หมายความว่าประสบการณ์เนี่ยดีดมากปัญญาเร็วคิดได้เร็วความเครียดคร่งสงสัยในเรื่องเหล่านั้นก็ถูกขจัดไปในขณะนั้นเป็นการ ข, ขจัดได้เร็ว แต่เนื่องจากเรามีความจำกัดในด้านประสบการณ์ความเครือบแคลงสงสัยเราจึงมีอยู่เรื่อยไปเพราะน ล, ลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากการไม่ทำไว้ในใจคือไม่คิดโดยอุบายแอบคายโดยเหตุโดยผลหรือบางครั้งบางคราวมันก็แทนที่จะมองไปที่สิ่งนั้นเรากลับไปมองไปที่ตัวอื่น จะมองไปที่ตัวเองและในสุดล้ืก็เกิดปัญหาเพราะง้นการวินิจฉัยเรื่องอะไรนั้นจะต้องมองจากสิ่งนั้นจะดูรูปอะไรก็ต้องดูรูปนั้นไม่ใช่ดูรูปอื่นจะฟังเสียงอะไรก็ต้องฟังเสียงนั้นจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จริงก็เป็นไปได้เะนบางครั้งบางคราวเรา ไปมองไปที่ธรรมะเห็นที่เคยกล่าวมาอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินด้วยประบาดได้เจดเก้าที่เราเกิดความเครียดแรงสงสัยเพราะเราคิดจากเราเพราะเอะเราก็ไม่ได้เดินด้วยเท้าได้เจ็ดเก้าเราเกิดมามันก็นอนแบเบาอยู่ก่อนแล้วค่อยๆเดินได้ทีหลั ง, งเพราะันพระพุทธเจ้าก็ไม่น่าจะเดินได้เรื่ออาจจะคิดกับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเราซึ่งเรามีประสบการณ์อยู่ก็ไม่เห็นว่าใครมันเดินได้ก็ ลงสันนิษฐานไปเลยว่าพระพุทธเจ้าก็เดินไม่ได้แต่เราลืมไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าและคนที่เรายกบมาเป็นตัวอย่างก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าการที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีบุพนิมิตอะไรพิเศษพิเศษให้เราคิดส่วนเดินด้วยประบาดในเจก้านนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาบุพนิมิตทั้งหลายที่เป็นเรื่องมุงเชียรทราพในอนาคตกาลไม่นานนัก ท่านผูนี้ก็จะเป็นศาสดาอีกในโลกหรือจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าถ้าเรามองในเงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเกิดความเข้าใจแต่ถ้าเอาตัวเองเป็นฐานหรือเอาบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวข้องหรือในประสบการณ์เราเป็นฐานเรจะเกิดความสับสน ด้วยบางครั้งบางคราวแม้ในแวทปุงของทางวิชาการที่เราไปไปยกความคิดความอ่านของฝรัง่งมันเป็นเครื่องหักล้างหลักการสําคัญในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นแสดงว่าเราให้ความสําคัญแก่ฝรั่งมากกว่าให้ความสําคัญแก่พระสธรรมเพราะว่ากันตามความเป็นจริงหลักความจริงแล้วฐานความคิดของฝรั่งนั้นมาจากคนละฐานกัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งไม่ได้มีเชื้อของพระพุทธศาสนามากมายอะไรถ้าจะมีเชื้ออยู่บ้างมันก็เป็นเชื้อของสายมายานันทั้งความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาคือเขาจึงคิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจึงซาในพระผู้เป็นเจ้าขเขามากกว่าเราอาจจะมองชื่นชมก็เขียนขึ้นมาเป็นรูปภาษาฝรัง่งไพเราะ อ, อะไรแต่ถ้าเรามาเทียบเคียงกันหลักจริงๆแล้วไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไร ก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เจาะลึกมากมายขนาดนั้นจะลืมว่าเรื่องความเข้าใจในสิ่งอะไรก็ตามมันสะสมอยู่ในสายเลือดด้วยไม่เว่าสะสมเฉพาะเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเรียกว่าสะสมจิตสันดานคือสะสมมาในสายเลือดต้องมองใกล้ๆการกีฬาบางอย่างเช่นการต่อยมวยไทยอย่างนี้ก็ชาติไหนก็สู้คนไทยไม่ได้ซึ่งก็หมายความว่าส่วนหนึ่งมันสะสมอยู่ในสายเลือดสะสมจิตสันดานของบุคคลอยู่ เพื่อเมาเราพิจารณาวินิจฉัยตัดสินว่าความเห็นของพระรังก็คือความเห็นของพระรังมันเป็นองค์ประกอบได้แต่ไม่ใช่ไปหักล้างคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือบางทีก็พูดให้มีการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยเข้าใจว่าเมื่อพระรังว่าตีความเราก็ต้องตีความได้แต่ลืมไปว่าถ้าเราจะตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา ปัญความว่าเราไม่เชื่อว่าคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นสมมูรณ์ด้วยอัตตะคือเนื้อหาและพยัญชนะคื อ, อตัวักษรที่สื่อเนื้อหาเหล่านั้นแต่ว่าเราเชื่อเราก็ไม่จําเป็นจะต้องตีความเพราะภาษามันก็บอกไว้อย่างชัดเจนแจมแจ้ ง, จงไม่มีข้อที่ควรแก่การเครื่อนแคลแงสงสัยแล้วปัญหาสาคัญว่าจะใช้ธรรมะเหล่านี้ในกรณีใด ก, การาเทศบุคคลกลุคคล่มคนเหตุผลที่จาเป็นจะต้องใช้ธรรมะในกรณีนั้นเท่านั้นมันก็อยู่ที่ภาคนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ภาคจะไปตีความอะไรก็แสดงว่าถ้าเราไปจับหลักอย่างนี้นอกจากเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นในพระธรรมคุณดีว่าพระธรรมมันพระพุ้มีพระภักตร์ยาทรงแสดงไว้ดีแล้ว ให้ลองจะปราบสังเกตเที่ยวเคียงดูว่าถ้าเราจะคิดอีกความใหม่ก็แสดงว่าเราไม่เชื่อสวัสดิ์ขาตรรกว่าตาตามโบห่าพระธรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วหรือว่าไม่เชื่อความเป็นอาการรีโกของธรรมะสรุปไ ง, ไงว่าไม่เชื่อในพระธรรมคุณทั้งหมดทั้งหงข้อนั่นแหลเพราะแนวของโยนิโสมนัสิการที่จะขัจัด อโยนิสุปนิติการคือการไม่กระทําไว้ในใจโดยบานแยบข่ายไอจุดที่จะมองจึงต้องมองจากสิ่งที่เราเกิดความคลุกคล่งสงสัยแล้วก็หาเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเป็นตัวชี้กว่าตำนองคล้ายๆจะพิสูจน์กลิ่นหอมของอะไรก็ต้องพิสูจน์จากกลิ่นของสิ่งนั้นไม่ใช่พิสูจน์จากตัวเราตัวเรานั้นอาจจะอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับพิสูจน์ แต่ว่าไม่ใช่พิสูจน์เราพิสูจน์สิ่งนั้นเพราะเราสงสัยในสิ่งนั้นลักษณะของอัญโยนิโสพนติการบางอย่างเนี่ยที่มันมีปัญหาก็คือว่าแทนที่จะใช้ตัวนั้นเป็นตัวกําหนดเป็นเครื่องมือในการกำจัดความเครือบแค่งสงสัยเรากลับใช้ตัวอื่นหรือเครื่องมืออย่างอื่นเช่นสมมติว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับที่ไปจากสุหรระดับกล้องทุรทัศน์ระดับกล้องโทรทัศน์แต่เราก็แท้ตาธรรมดา มตัดสินว่าวินิจฉัยเราไม่สามารถตัดสินเมื่อไม่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ก็เกิดความเครียดแข็งสงสัยนั้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของอายนในสมนักการคือการไม่ทําไว้ในใจด้วยบานแยบคายนั้นนอกจากจะไม่ทําไว้ในใจแล้วที่จริงยังเกี่ยวข้องกับเครื่องมา้าเครื่องมือยังเกี่ยวข้องกับวัตถุหรืออารมณ์ที่จะกําหนดพินิจพิจารณาด้วยเพราะเรื่องเรานี้จะใช้เครื่องมืออะไร ที่จริงบทเรียนนั้นมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่บุคคลไม่ค่อยสังเกตได้ดีว่ามันก็เหมือนกันในชีวิตประจําวันถ้าเราจะพิสูจน์โรคต้องดูด้วยตาจะพิสูจน์เสียงก็ต้องใช้หูส่วนจะมีเครื่องช่วยหูอะไรก็ตามแต่ว่าก็ต้องใช้หูอยู่นั่นแหละจะพิสูจน์กลิ่นก็ต้องใช้จมูกเป็นต้นนันก็แสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ซึ่งท่านใช้คำว่าอินทรีย์แต่ว่าเป็นใหญ่ แล้วก็มีเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบเทียบเคียงพิพจารณาในเรื่องอื่นอยู่แล้วตัณหาเหล่านี้ถ้าเราขาจัดออกไปได้คือเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วควรใช้อย่างไรควรจะคิดพิจารณาโดยเงื่อนไขปัจจัยประกอบอย่างไรแล้วก็จะสามารถขจัดความเครอบแครงสงสัยไปได้เพราะตัววิชาคือความไม่รู้ที่ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นบาปที่ท่าเรียวกว่าเป็นสังขารเี่ย เราก็สามารถจะดูได้ในขณะชีวิตประจําวันของเราเรอดูภาพการเดินไปในที่ต่างๆว่าถ้าเราเดินมืดๆ ม, มากเนี่ยโอกาสที่จะหกล้มบกลุกชดนั้นชนนี้เนี่ยจะมีมากเพราะจิตใจเราก็เหมือนการท้าหากมันมืดมากๆโอกาสที่จะทําผิดทำทำผิดมากๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าค่อยสว่างสว่างขึ้นเราก็เดินได้อาจจะหกล้มไปบ้างแต่ก็หกล้มน้อยลงหน่อยจิตใจก็เราก็เหมือนการที่กิเลสบัรจางลงไปการกระทำก็เราก็จะดีขึ้นมากกว่าไม่ดี ก็เป็นตัวชี้ที่สามารถเทียบเคียงได้ไปเรื่อยๆดังนการที่อาวิชาการการที่มีความเครียดแครงสงสัยอยู่ก็แสดงว่าขาดการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลดังที่กล่าวกันแล้วและตราบใดที่ยังมีตัวนี้อยู่ความเครียดแครงสงสัยก็จะมีอยู่ภายในใจอยู่ร่ําไปอาจจะแก้ตรงโน้นได้แต่จะเกิดความเครียดแครงสงสัยในจุดอื่นๆและจะเป็นเช่นนี้ต่อเมื่อใดบุคคลสามารถผ่อนคลาย การไม่ใช่เหตุผลแต่พยายามใช้เหตุผลเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆ ก, กจัดความเครียแคลงสงสัยลงไปได้โดยลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสุบสุขต่อไป